เสียงอ่านหนังสือวิธีสร้างบุญบารมีรานิพนธ์ในสมเด็จพระยา น, นสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆบรินายกวิธีสร้างบุญบารมีบุญความหมายของบุญคือเครื่องชําระสันดานความดีกุศล ความสุขความประพฤตชอบทางกายวาจาใจและอุสน ล, ลธรรมมีพุทธพจน์ ท, ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าท่านทั้งหลายอยากัวต่อบุญเลยเพราะคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขบารมีมาจากคำบาลีว่าปารมีมีความหมายว่าคุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวดเพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง หรืออีกความหมายหนึ่งคือความดีที่บำเพ็ญไว้ข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุกถึงพระนิภพานแสนจันนุ่มนวนยามคืนเดือนเพ็นแสนเย็นให้ใจบำเพ็นภาวนาน้อมใจน้อมกายตามรอยบุชา พระบุญญาองค์สังขราชไทยสมอง์พระอภิบาลราชนสมดังศูนย์รวมศรัทธาด้วยหัวใจสมทําสายทานที่ยังรินไหลสมคําสมอย่าเปรียบไว้พระญาณสัง สนนในพรระเมตาาังคบิดอยกวิธีสร้างบุญบารมีหรือที่ตั้งแห่งการทำบุญในพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่สามขั้นตอนคือการให้ทานการรักษาศีล และการเจริญภาวนานิยมเรียกกันว่าทานศีลภาวนาซึ่งการให้ทานหรือทำทานนั้นเป็นการสร้างบุญที่เป็นเบื้องต้นที่สุดได้บุญน้อยที่สุดในการทำบุญทั้งสามขั้นนี้ซึ่งไม่ว่าจะสร้างบุญด้วยการให้ทานมากมายเพียงไรก็ไม่มีทางที่จะได้บุญมากกว่าการรักษาศีลไปได้ และถึงจะถือศีลเข้มข้นเคร่งครัดอย่างไรก็ไม่มีทางจะได้บุญมากเกินไปกว่าการเจริญภาวนาไปได้ฉะนั้นการเจริญภาวนาจึงเป็นการสร้างบุญบารมีที่มีกำลังสูงที่สุดได้บุญบารมีมากที่สุดหมายเหต บุญกิริยาวัตถุสมที่ตั้งแห่งการทำบุญได้แก่ 1. ทานไมให้ปันสิ่งของ 2. สศีลไมรักษาศีลประพฤติชอบ 3. ภาวนาหมเจริญภาวนาให้สุขสงบและสว่างใจทุกวันนี้เราส่วนใหญ่เน้นแต่การให้ทานอย่างเดียวเช่น ทำบุญตักบาตรทอดกะถินทอดผ้าป่าสละทรัพย์สร้างโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนส่วนการวิรัตรักษาศีลคือถือศีลนั้นแม้จะได้บุญมากกว่าแต่ก็ยังมีเป็นส่วนน้อยฉนั้นเพื่อความเข้าใจอันดีจึงขอชี้แจงถึงวิธีการสร้างบุญบารมีว่าอย่างไรจึงจะลงทุนน้อยแต่ได้บุญบารมีมากที่สุด ดังต่อไปนี้หนึ่งการทำทานการทำทานได้แก่การสละทรัพย์สินสิ่งของสมบัติของตนที่มีอยู่ให้แก่บุคคลอื่นโดยมุ่งหวังจะจุนเจือให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์และความสุขด้วยความมีเมตตาจิตของตนทานที่ได้ทำไปนั้น จะทำให้ผู้ทำทานได้บุญมากหรือน้อยเพียงใดย่อมสุดแล้วแต่องค์ประกอบสามประการถ้าประกอบหรือถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบทั้งสามประการต่อไปนี้แล้วทานนั้นย่อมมีผลมากได้บุญหนุนบารมีมากกล่าวคือองค์ประกอบข้อที่หนึ่งวัตถุทานที่ให้ต้องบริสุทธ วัตถุทานที่ให้ได้แก่สิ่งของทรัพย์สินสมบัติที่ตนได้สละให้เป็นทานนั่นเองจะต้องเป็นของที่บริสุทธิ์ที่จะเป็นของบริสุทธิ์ได้จะต้องเป็นสิ่งของที่ตนได้สแสวงหาได้มาด้วยความบริสุทธิ์ในการประกอบสัมมาอาชีพไม่ใช่ของที่ได้มาด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นเช่นได้มาโดยทุจริตลัดทรัพย์ ยักยอกช่อโกงล้นซั์ชิงซั์หรืออื่นๆตัวอย่างหนึ่งได้มาโดยการเบียดเบียนเลือดเนื้อสัตว์เช่นฆ่าสัตว์ต่างๆเป็นต้นว่าปลาโคโกระบือสุกรโดยประสงค์จะนำเอาเลือดเนื้อของเขามาทำอาหารถวายพระเพื่อเอาบุญย่อมเป็นการสร้างบาปเอามาทำบุญวัตถุทานคือเนื้อสัตว์นั้นเป็นของที่ไม่บริสุทธิ์ แม้ทําบุญให้ทานไปก็ย่อมได้บุญน้อยจนถึงเกือบไม่ได้อะไรเลยทั้งอาจจะได้บาปเส อ, อีกหากว่าทําทานด้วยจิตที่เศร้าหมองแต่การที่ได้เนื้อสัตว์มาโดยการซื้อหาจากผู้อื่นที่ฆ่าสัตว์นั้นโดยที่ตนมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจในการฆ่าสัตว์ก็ดีเนื้อสัตว์นั้นตายเองก็ดีเนื้อสัตว์นั้น ย่อมเป็นวัตถุทานที่บริสุทธิ์เมื่อนำมาทำทานย่อมได้บุญมากหากถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบข้ออื่นๆด้วยตัวอย่างที่สองลักทรัพยักษยอกช่อโกงชิงทรัพย์ล้นทรัพย์ตลอดถึงการทุจริตช่อราชบังหลวงอันเป็นการได้ทรัพย์มาในลักษณะที่ไม่ชอบธรรม หรือโดยเจ้าของเดิมไม่เต็มใจให้ทรัพย์นั้นย่อมเป็นของไม่บริสุทธิ์ด้วยนำเอาไปกินไปใช้ย่อมเกิดโทษเรียกว่าบริโภคโดยความเป็นหนี้แม้จะนำเอาไปทำบุญให้ทานสร้างโบสถ์วิหารก็แทบจะไม่ได้บุญแต่อย่างใดเนื่องด้วยต้องชดใช้หนี้กรรมอันเกิดแต่การเบียดบังยักยอกช่อโกงล้นชิงทรัพย์ อันได้มาโดยไม่ชอบทมเหล่านั้นสมัยหนึ่งในรัชกาลที่หมีหัวหน้าสํานักนางโลมชื่อว่ายญยแฟงได้เรียกเก็บเงินจากหญิงโสเพณีในสํานักของตนจากอัตราที่ได้มาครั้งหนึ่ง25สต่าตางค์แกจัดชักเอาไว้5สตางค์สะสมเอาไว้เช่นนี้จนได้ประมาณ 2,000 บาท เ้าจึงจัดสร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งด้วยเงินนั้นทั้งหมดเมื่อสร้างเสร็จแล้วแกก็ปลื้มปีตินำไปนมัสการถามหลวงพ่อโตวัดประคังว่าที่แกสร้างวัดทั้งวัดด้วยเงินของแกทั้งหมดจะได้บุญบารมีอย่างไรหลวงพ่อโตตอบว่าได้แค่หนึ่งสลึงแกก็เสียใจเหตุที่ได้บุญน้อย ก็เพราะทัพย์อันเป็นวัตถุทานที่ตนนำมาสร้างวัดเป็นวิหารทานนั้นเป็นของที่สแสวงหาได้มาโดยไม่บริสุทธิ์เพราะเบียดเบียนมาจากเจ้าของที่ไม่เต็มใจจะให้ฉนั้นบรรดาพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายที่ซื้อของถูกๆแต่ขายแพงๆจนเกินส่วนที่ควรจะได้ผลกาไรที่ได้มาเพราะความโลภจัดจนเกินส่วนนั้น ย่อมเป็นสิ่งของที่ไม่บริสุทธิ์โดยในเดียวกันวัตถุทานที่บริสุทธิ์เพราะการสแสวงหาได้มาโดยชอบธรรมดังกล่าวไม่ได้จำกัดว่าเป็นของมากหรือน้อยมีค่าน้อยหรือมีค่ามากจะเป็นของดีเลวประณีตมากหรือน้อยไม่สำคัญความสำคัญ ขึ้นอยู่กับเจตนาในการให้ทานนั้นตามกำลังทรัพย์และกำลังศรัทธาที่ตนมีอยู่